ในวิธีการของเราส่วนใหญ่จะพูดในสิ่งที่เราทําและทําในสิ่งที่เราพูดเพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจของเราที่มาที่นี่ว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราเข้าใจก็จะทําด้วยความสุขนะฮะในช่วงเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นลมตลอดทั้งคืนทําให้เป็นหวัดเป็นไอ ก็ระวังด้านสุขภาพเพราะว่าในรูปนีินามนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันตลอดเวลากฎความจริงของมันก็คือตัวเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแตกดับอย่างนี้ตลอดเวลาไม่สามารถจะห้ามมันได้ แต่เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็จะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงบริหารความเสื่อมบริหารความแตกดับให้มันดำรงอยู่ได้นะแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ถ้าธารมมาจัดอบรมที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยหรือที่เมืองไทยแต่ว่าในวิธีการของธมมาเองก็จะ ที่สามถึงที่สี่เนี่ยก็ตื่นมาทำความเพียรคนไหนตื่นก่อนที่สี่ถึงที่ห้านี่ก็พาออกกำลังกายโดยโยคะหนึ่งชั่วโมงนะที่ห้าถึงหกโมงนี่กนะ็ทาวัดสวดม น, นั่งสมาธิปฏิบัติหกโมงถึงเจ็ดโมงนี่ก็การฟังธรรม ฟังทำก็รับอาหารเช้าเบาๆแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็จะเดินสติตลอดส1บมงถึงเที่ยงก็ทำพระภัตกิจตอนกลางวันพักหนึ่งชั่วโมงจากบ่ามงไปถึงห้ามงเย็นก็ก็จะเดินสติห้ามงถึงหกมงก็ทำทุรื่อส่วนตัวหกมงรอบน้ำปัาะ เดินจงกรมพักเอาหนึ่งทุ่มก็ทำวัดสวดมนต์สองทุ่มถึงทุ่มครื่งถึงสามทุ่มก็ฟังธรรมสนทนาธรรมก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทั่วไปที่ใช้ในวิธีการของอัตมาไม่ว่าทางในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ผลดีทำให้อัตมาก็ได้อานิสงส์ได้สุขภาพที่ดีไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เพราะว่าชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือรูปกับนามกายกับใจทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันมันก็จะรักษายากความเป็นธรรมต่อรูปความเป็นธรรมต่อนามเรียรูปธรรมนามธรรมนะรูปนามในส่วนที่เป็นรูป ก็คือมันจะต้องแตกดับเสื่อมสลายโดยด้วยเหตุสี่ประการนะก็คือกรรมการกระทำของเราเองก็ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ทำให้เราเสื่อมสลายและแตกดับได้จากโดยกรรมกายกรรมวิชีกรรมมนุกรรมทำให้เราต้องเป็นทุกข์แตกดับเสื่อมสลายไดย้ถ้าเรา ไม่มีสติสัมปชัญญะและปัญญาที่ดีพอแล้วก็เสื่อมเพราะกรรมของเราธรรมาก็จิตใจของเราก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแตกดับและเสื่อมสลายแตกดับได้ด้วยจิตที่เราคิดเป็นทางผิดหรือจิตที่ประมาทแล้วก็อันที่สามคือดินฟ้าอากาศก็ทำให้รูปนินามนี้ต้อง เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและแตกดับเพราะดินฟ้าอากาศเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้เกิดการร อ, อนจัดเย็นจัดหนาวจัดก็ให้เกิดดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงดินถล่มน้าท่วมนั่นแหละพวกนี้เกิดมาจากอุตุทั้งภายนอกและภายในแล้วอาหารก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและแตกดับ ของรูปนี้นามนี้ได้เหตุสิบอาการกรรมจิตอุตุอาหารเพราะเราจะต้องบริหารทั้ง4อย่างเนี่ยให้มันเหมาะสมแต่ม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการให้รูปนามนี้อันนี้แตกดับเสื่อมสลายแต่ว่าเราจะให้การแตกดับของรูปนี้ไม่กระทบถึงนามได้อย่างไรนะมาให้การแตกดับเปลี่ยนแปลงเสื่อมสายของรูปนี้มาให้ก่อให้เกิดความทุกข์ ในวัตสงสารได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เราบริหารได้จัดการได้ด้วยสายคาสอนของพระสมัยสมพุทธเจ้าดัง น, นั้นเองก็ในวิธีการเขาจมาจะพูดทั้งสองส่วนทั้งที่เป็นหลักการหรือวิชาการแล้วก็ประสบการณ์บางที่เราพูดถึงประสบการณ์อย่างเดียวที่ <c oughs> ไม่มีวิชาการอยู่เลยก็ทําให้ ไม่เป็นที่ยอมรับของสากลนะแต่พูดถึงหลักการหรือวิชาการอย่างเดียวก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ไม่มีปริญญาตนะ์นั้นทั้งสองส่วนทั้งวิชาการและประสบการณ์ก็ไปพร้อมๆกันนะทีนี้ในส่วนของหลักการเนี่ยเราใช้หรือวิชาการเราใช้หลักของสติปัญสา 4, ที่ ปรากฏในคัมภีร์เราก็ไม่ทิ้งนะเพราะว่าในวิชาการหรือหลักการมันก็เกิดจากประสบการณ์นั่นเองก็นํานประสบการณ์เนี่ยมาตั้งเป็นหลักเพื่อให้คงไว้เป็นแนวทางเป็นแผนที่แผนที่ก็เกิดจากของจริงนั่นแหละแต่ย่อส่วนลงมาวิชาการหรือหลักการก็คือประสบการณ์นั่นแหละ แต่แยวส่วนประโยคสบการณ์ลงมา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วน <c oughs> กำหนดซึ่งกันละกันทำให้มันมักจะขาดน้ำอุ่นไม่ค่อยได้นะคอมเสีย <c oughs> นั่นั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าในทางหลักการและประสบการณ์เนี่ย ในทุกเชา้าทุกเย็นพระท่านก็ขึ้นมาถ่ายทอดบางท่านก็เอาประสบการณ์มาแสดงบางท่านก็เอาวิชาการมาแสดงบางท่านก็ได้ทั้งประสบการณ์และวิชาการมาแสดงนะนั่นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คือจะต้องพยายามทำความเข้าใจศึกษาเพราะการฟัง ว่าสุสูสังละพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเป้าหมายของเราก็เพื่อให้เกิดปัญญานั่นแหละไม่ว่าจะทําอะไรที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทําอะไรก็ตามที่ไม่เกิดปัญญาก็อยู่เฉยๆก็ได้หรือไม่ต้องทําอะไรก็ได้อย่าไปเสียเวลาทําทําแล้วต้องให้เกิดปัญญาดังนั้นในหลักการที่ว่าเป็นสติปัฏฐานสีเนี่ยเราก็ เอามาทาเมื่อทำได้ถูกต้องมันก็กลายเป็นประสบ ก, การณ์เมื่อทำไม่ถูกมันก็เป็นตัวเพียงหลักการที่เราจะทำให้เราสับสนงงงวยทำให้เกิด อ, อวิชชาหรือมายาการได้ดังนั้นเองในประสบ ก, การณ์ในจุดนี้เราจะทำอย่างไร ที่จะสารต่อเข้ากับความเป็นจริงที่ปรากฏขณะ น, นี้ว่าความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนี้คืออะไรแล้วเราก็ศึกษาลงไปในปรากฏการนั้นเรียกว่าประสบการณ์และในความเป็นจริงที่เราได้ศึกษาทําความเข้าใจมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยประสบการณ์ตัวนี้ก็จะ สั่งสมก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆยจนกระทั่งเกิดความเป็นจริงขึ้นมานตรงนี้แหละเราต้องการการที่เราจะเกิดศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาในการที่จะเฝ้าดูความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกขณะเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีหลัก ตรงนี้เองก็จะเริ่มต้นด้วยศรัทธานะศรัทธาในที่นี้หมายถึงว่ามีความเชื่อมั่นความมั่นใจความพ อ, อใจความรักความเอาใจใส่ความฝักใฝ่ความขอนขวายในสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ขณะนี้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ ะละเลยการขยันในการศึกษาการเฝ้าดูการสังเกตนะขยันในการเอาใจใส่ขยันในการตามรู้ตัวนี้แหละก็เรียกว่าเป็นความเพียรหรือวิทยะแล้วก็ตามรู้ด้วยอาการที่ถูกต้องอเช่นว่าขณะ น, นี้อาการที่ปรากฏในตัวของเราเนี่ย <c oughs> มันมีอาการอะไรบ้าง เย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงอ่ะมันปรากฏแล้วปรากฏแล้วเรามีท่าทีต่อมันอย่างไรตรงนี้เราต้องใช้ปัญญาการที่เราเอาใจใส่ต่อสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องในร่างกายของเราเนี่ยเราเรียกตามหมวดว่าเวทนานุปัสนาคือตามรู้ความรู้สึกสิ่งที่เรากําลังได้รับ เย็นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งร้อนก็เป็นเวทนาอันหนึ่งปวดตึงเมื่อยง่วงเหงาเหานอนสลุมสลือปลอดโปร่งผ่องใสหรืออึดอัดพวกนี้เป็นเวทนาในส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทุกเวทนาที่นี้เราต้องการให้เวทนาตัวนี้เบาบางแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขไปเรื่อยๆเพื่อ น, นาไปสู่สุขเวทนา ขณะที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขสักพักหนึ่งอมันก็เปลี่ยนไปสู่ทุกวลขเวียนอยู่อย่างเนี้ยการที่เราเอาใจใส่เฝ้าดูสังเกตศึกษาใส่ใจสนใจตามรู้วิเคราะห์วิจัยในสิ่งที่มันกําลังเกิดตรงนี้เราเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัตินะเป็นภาคปฏิบัติการที่เราจําหลักการได้ในการทําว่าเออศรัทธา ท่านหมายความว่าอย่างนี้วิทยาท่านหมายความอย่างนี้แล้วจำได้แล้วนำมาประกอบความเข้าใจเอาใจใส่นั้นก็เรียกว่าในส่วนที่เป็นวิชาการทั้งนั้นวิชาการและประสบการณ์จึงควบคู่กันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่ไม่มีปริญญา่าไปตั้งใจตาหนิหรือตั้งข้อรังเกียจต่อวิชาการนั้นก็ไม่ถูกถือว่าสุดตรง หรือนักวิชาการจะไปดูถูกดูแคลนผู้ที่มีแต่เพียงประสบการณ์ก็ไม่ถูกเหมือนกันถือว่าเป็นความาไม่รู้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเราผสมกลมเกลืนทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เรียกว่าหลักปริยัติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดผลคือปฏิเวทตามหลักของพุทธธรรมดังนั้นใน ส่วนที่เราปฏิบัติมาสี่ห้าวันเนี่ยณวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่ได้อารมณ์พร้อมที่จะได้อารมณ์ถ้าหากว่าเราทำอย่างถูกต้องมาในช่วงสามสี่วันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเบาสบายเข้าใจปรับปรุงแล้วก็มีความตั้งใจต่อเนึ่งจริงจังตั้งใจต่อเนื่องได้ยาวขึ้นนีถ้าหากว่ามาในทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่ามันในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเริ่มเบื่อนายขี้เกียจอยากกลับบ้านหาเหตุหาผลหาปัใจจัยในการที่จะทิ้งสนามนะอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องมาตั้งแต่วันแรกพอมาถึงวันนี้ก็ไม่เห็นอะไรปรากฏชัดก็รู้สึกถึงความไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระ แล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการเสียเวลาเราคิดจะเลือกลากลับบ้านหรือกลับกันไปแล้วก็มีอันนี้เรียกว่าเราทําไม่ถูกต้องแต่ถ้าทําถูกต้องแล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งสนุกสนานและเข้าใจเหมือนกับธรรมชาติโดยโชคทั่วไปยิ่งนานวันก็ยิ่งแก่ยิ่งสุกงอมของผลไม้แต่ถ้าผลไม้นั้นยิ่งนานวัน ถ้าหากมันมีอะไรไปเจาะไปใชย้ยิ่งนานบันก็ยิ่งเนา่ายิ่งเสียแล้วก็หล่นไหวหล่นก่อนที่จะถึงเวลากลับบ้านก่อนที่จะครบเทอมเพราะมันมีมแมลงบ้างความไม่สมบูรณ์ของกิ่งก้านสาขาบ้างมีลมพัดแรงบ้างมันก็ให้เกิดการร่วงโร่นก่อนเวลาอันจะอันควรนะ อั น, นั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะต้องเ <c oughs> ข้าใจถึง <c oughs> หลักเกณฑ์และเหตุผลของความเป็นจริงอที่นี้ในหลักของสี่ประหานสี่เนี่ยในส่วนกายท่านก็ให้ดูหลักง่ายๆที่เห็นชัดๆก่อนนะเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจลึกพอไหมลมหายใจยาวพอไหมหายใจถูกต้องไหมตรวจสอบ ไม่ต้องบริกรรมว่าพุทโทรศัมาระหังอะไรทั้งนั้น่ะให้รู้ว่าเวลาหายใจลึกเป็นยังไงหายใจตื้นเป็นอย่างไรนี่เราก็จะได้หลักของรูปคือได้สุขภาพด้วยคนเราส่วนใหญ่หายใจตื้นไม่รู้ตัวก็จะทำให้เสียสุขภาพเลือดลมไหลไม่ทั่วถึงไม่สะดวกก็ให้เกิดโรคภัยนาฬนปากัน เพราะฉะนั้นหลักสติปัฐานสี่วิรกยายานุปัสสนาท่านจึงเอาเรื่องลมขึ้นต้นเพื่อรักษาสุขภาพไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดกรรมฐ า, านหรือขังศักดิ์สทธิ์อะไรนะเพื่อให้เกิดสุขภาพเราต้องมีสุขภาพที่ดีซะก่อนก่อนที่เราจะเจริญกรรมฐ า, านก้าวหน้าต่อไปเนี่ยโยมคนหนึ่งแกเล่าให้ตมาฟังแกบอกว่าแกเป็นโรคที่เรียกว่าเหมือนกับ คือไม่สบายในท้องมานานไปตรวจหมอไหนหมอไหนก็ไม่ไม่ชัดเจนทีนี้แกไปพบคนที่เป็นธรรมชาติบําบัดคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหายใจสั้นเกินไปเพราะหายใจสั้นแล้วลำไส้ไม่ได้ออกกําลังเมื่อลำไส้ไม่ได้ออกกําลังเลือดลมที่เข้าไปฉูดฉี่ตรงนั้นไม่ดีทําให้เกิดลำไส้พิการกระเพาะทํางานไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณหายใจให้ลึกที่สุด หายใจจนกระเพาะมันปลิ้นนั่นแหละให้ยาวที่สุดพอแกปฏิบัติตามนี้ปรากฏว่าปัญหาสุขภาพหลายส่วนหายไปเลยเนี่ยเพราะนั้นหมวดด้วยว่าอาณาปานาสติท่านจึงวางระบบของการลมหายใจไว้หลายหลายอย่างเพราะนั้นฝึกหายใจให้ลึกๆวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยห้านาทีสิบนาที หายใจให้เต็มที่หายใจให้ถูกนะหายใจเข้าท้องมันจะพองขึ้นหายใจออกท้องมันจะยุบแต่หายใจไม่เป็นหายใจเข้าท้องมันจะยุบหายใจออกท้องมันจะพองส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสังเกตหรอกไม่ค่อยสังเกตเพราะไม่มีใครมาเน้นมายาไม่เห็นมีแต่หายใจเข้าออกว่าพูดหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าว่าพองหายใจออกว่ายุบอะไรเนี้ยซึ่งมันก็เป็นไม่ได้เน้นในแง่ของสุขภาพอืม ทีนี้หมวดต่อมาว่าด้วยเวทนานุปสนาการกำหนดเวทนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปกำหนดเราไม่ได้ตามดูไม่ได้เฝ้าดูไม่ได้วิจัยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้วิจัยในส่วนที่มันรับเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรานั่งมาประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนอิบุตรไปไม่รู้กี่ครั้งลว นะแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะเพราะอะไรเราจึงเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรเราเคยสังเกตมันอย่างใกล้ชิดไหมว่าเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยไปแล้วกี่นาทีกี่วินาทีมันถึงจะเกิดแต่ให้เกิดการเปลี่ยนอีกเราเคยสังเกตมันอย่างใกล้ชิดไหมอันนี้คือหลักปฏิบัตินะหลักปฏิบัติสิ่งที่หลวงพ่อเทียนนามาสอนก็ไม่ได้ต่าง สิ่งที่พุทธเจ้าหลักของการของพุทธเจ้าเม่แต่น้อยหลักการอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้มีประสบการณ์มาพูดเราจะพูดอย่างไรให้มันเข้ากันพูดอย่างไรให้มันค้านกันอยู่ที่การทําความเข้าใจดังนั้นในส่วนที่เวทนานุปัสนาจึงเป็นหลักสําคัญประการที่สองเพราะมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกายกับใจรูปกับนาม เราจะเห็นว่าในหลักของขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ evet. รูปในส่วนที่ทั้งเป็นมหาภูตร States, ูปอุปทัยรูปนามรูปเนี่ยล้วนอาศัยเวทนาเป็นตัวเชื่อมในส่วนสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นตัวนามแต่ในส่วนเวทนาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามเมื่อไหร่มันบอกถึงอาการทางกายมันก็เป็นรูปนามเมื่อไหร่มันบอกถึงอาการทางจิตมันก็เป็นนามรูป เพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามนะและเป็นได้ทั้งนามมารูปด้วยนั้นแล้วยังมองข้ามเวทนาไม่ได้การที่เราจะมองเวทนาได้หลายชั้นเนี่ยเราจะต้องดูเวทนาชั้นต้นให้ละเอยียดถี่ถ้วนจริงๆคือเวทนาทางกายเนะวทนาทางกายเวทนาทางกายเนี่ยมันเป็น <c oughs> สัญชาตญาณ น, นันหนึ่งที่มันจะบอกเหตุ ว่ารูปนี่มันจะอยู่ได้ไม่ได้เวทนาเป็นตัวบอกลําพังเฉพาะรูปเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่อาศัยเวทนาเป็นตัวชี้นะเวทนาเป็นตัวชี้เมื่อชี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรท่าทีไหนอาการไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นตัวกรรมาฐานที่สําคัญที่พระอริยเจ้าผู้เป็นอัครส า, าวกอย่างท่าน ภาษารีบุตรได้อาศัยความรู้ในแง่ของการกําหนดรู้เวทนาด้วยเวทนาปริฆหตสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องการกําหนดตามรู้เวทนาได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันและมีปัญญาเลิศมีปัญญาเป็นเลิศซึ่งรายละเอียดเยอะมากก็จะไม่ลึกลงไปตรงนั้นแต่จะนํากล่าวว่าตัวเวทนานี่เองถ้าเราเอาใจใส่สังเกตตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ย เราจะเข้าถึงตัวสัจธรรมได้เร็วและได้ง่ายที่รัดตรงแต่ทำไมมันจึงเป็นไปได้ยากก็เพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับเวทนาด้วยวิชาไม่ได้เกี่ยวข้องโดวยวิชามันจึงช้าเพราะเวทนานี่ก็ให้เกิดความเพลินก็ได้ก็ให้เกิดความรู้ก็ได้ก็ให้เกิดความทุกข์ก็ได้ ทีนี้เราจะเกี่ยวข้องมันแบบไหนถ้าเกี่ยวข้องมันแบบความไม่รู้อวิชาก็ขอให้เกิดความเพลินเพลินในเวทนาเมื่อเราเพลินในเวทนาสุขเวทนาแล้วก็เพลินทุกเวทนาแล้วก็เพลินอาจทุกขเข้ามาสุขเวทนาเราก็เพลินอีกเพราะฉะนั้นตัวเวทนาจึงไม่เป็นตัววิปัสนาให้มันจึงกลายมาเป็นอวิชากลายเป็นสัญชตาตญาณทุกสั ต, ตว์ทุกตัวทุกตนมีเวทนาหมดที่มี อ่าตัวจิตวิญญาณนาะดังนั้นเองเวทนาที่เราเป็นสุขเวท น, นาก็ทําให้เราเพลินเป็นทุกเวทนาก็ทําให้เรากลัวเป็นอทุกข์เขามาสุขเวทนาก็ทําให้เราประมาท เ, เลอะเลอะเป็นโมหะดังนั้นเวทนาทั้งสามจึงเป็นต้นเหตุของอกุศลทั้งสามอย่างอ่า โลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรือราคะโทสะโมหะราคะหรือโลหะกําเนิดมาจากสุขกเวทนาที่ไม่ได้ตามรู้ที่ไม่ได้กําหนดโทสะมูล uh, ก็กําเนิดตัวมาจากทุกขเวทนาที่เราไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้ตา ม, มารู้โมหะมูล ก็เกำเนิดมาจากอุปกรมสุขเวทนาที่เราไม่ได้ตามรู้ไม่ได้กําหนดรู้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งไปนานๆเนี่ยเราจะต้องสังเกตตามสังเกตอยู่เสมอว่าทําไมมันจึงปวดขาทําไมจึงปวดหลังทำไมจึงปวดไหล่เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด มาเองเป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดว่าในท่าสี่หันห้าหรือรูปนามของเราเนี่ยมันมีการไหลเวียนที่ตามกฎของอนิจจ์ไหลเวียนของเลือดลมตลอดเวลาอนิจจ์ทุกขังขนาตาทํางานอยู่ตลอดเวลากับรูปเราจะรู้เรื่องของไตรลักษณ์หรือไม่ก็ตามแต่กฎไตรลักษณ์ทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ เราปฏิสนธิในท้องพ่อท้องแม่จนถึงเราตายมันทํางานไม่เคยหยุดหย่อนแม้แต่เราหลับมันก็ทํางาน น, นิจังทุกขังนาตาเมื่อพระพุทธองค์ได้มารู้กฎของอันนี้ปั๊บเนี่ยท่านก็เริ่มบริหารจัดการมันคือแทนที่ตัวนิจังทุกขังนาตาตัวนี้จะก่อให้เกิดสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมูลสุขเวทนาโดยไม่รู้ก็สร้างตัวรู้ขึ้นมา เรียกว่าวิชาอเพราะฉะ น, นั้นในธรรมจักเนี่ยท่านจึงเน้นในจุดนี้มากเวลาลอยสวดจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอารโกอุทปาธิที่ก่อให้เกิดธรรมจักสุขคือท่านเปิดดวงตาธรรมจักสุขขึ้นมาเพื่อให้เห็นขบวนการของไตรลักษณ์ที่ก่อให้เกิดเวทนาทั้งสามเมื่อเห็นชัดเย็นตรงนี้ปั๊บเนี่ย มันก็ตามรู้มันไปเรื่อยๆว่าเวทนาเนี่ยมันกินตั้งแต่ระดับกายความรู้สึกในกายกินระดับจิตความรู้สึกในจิตไปจนกระทั่งว่าสิ้นสุดของเวทนามันอยู่ที่ไหนตามรู้มันไปเรื่อยๆตั้งแต่เวทนาหยาบเวทนากลางเวทนาละเอียดตามรู้เข้าไปความเจ็บปวดก่อนที่มันจะหนักเนี่ยมันก็ต้องผ่านระดับ กลางและระดับละเอียดมาก่อนพอมาละเอียดสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นหยาบสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเป็นกลางสักพักก็กลายเป็นหยาบพอหยาบแล้วก็ทนไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอพอหยาบหมายความมันหนักมันหน่วงมันท่วงมันทับมันปวดมันเมื่อยมันหยาบแล้วเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนสุขเวทนาก็เริ่มต้นสุขเวทนานั่นเองก็คือตัวเริ่มต้นของทุกเวทนานเพราะฉะนั้น ในเวทนานั้นจึงเป็นตัวชี้เหตุที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเอียบุตรตลอดเวลาเพราะการทํางานของนิจังทุกขังหน้าตายซึ่งอยู่ข้างในครับขึ้นอยู่ข้างในตลอดเวลาเซลทุกเซวต้องเปลี่ยนแปลงแตกดับเลื่อนลมทุกกระแสต้องไหลเวียนแต่เนื่องจากที่เราไปกดไปทับการทํางานของเขาเช่นเรานั่งเนี่ยก็จะ ลำบากกายืนยืนก็สบายหน่อยถ้านั่งในท่าที่สมดุลทําให้เลือดลมไหลสะดวกแล้วก็นั่งได้นานหน่อยถ้านั่งในท่าไหนยืนในท่าไหนที่เลือดลมไหลไม่สะดวกแล้วก็อยู่ท่านั้นได้ไม่นานเพราะว่าไปสกัดไปก ด, ไ ป, กดไปทับการทํางานของเขาเขาไต้องเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตานี้เขาก็เหมือนกับพระเจ้าเลยเขาต้องเดินทางตลอดเวลาเรียกว่าเราไปขวางทางพระเจ้าหรือว่ามันก็ทําให้เราต้องทุกข์ ก็ต้องเปลี่ยนท่าทีการเปลี่ยนท่าทีคือการเปิดทางให้เวทนาได้ไหลผ่านได้นิจังทุกขังนนทตาได้เดินทางต่อเป็นอยู่นี้ตลอดเวลาเราก็เข้าไปบริหารจัดการเวทนาตัวนี้ด้วยท่าทีแบบไหนมันถึงจะเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้พระพุธองค์จึงสอนว่ากำหนดรู้เวนเทนาพิจารณาเวทนา สัตวเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาสัต ว, ว์เป็นความรู้สึกเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้จิตของเราที่มันจะปรุงแต่งฟุง้งซ่านหรือสร้างอดีตอนาคตขึ้นมามันก็จะดับสลายลงแล้วมาอยู่ในปัจจุบันนะถ้าหากว่าจะดึงจิตมาอยู่ปัจจุบันโดยที่ไม่ตามรู้ตามดูตามเห็นเวทนาที่ปรากฏในกาลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันออกไปจนชินเพราะเราเพลินในเวทนานั้นเองเมื่อเพลินในสุขเวทนาเราก็คิดแต่เรื่องที่พอใจคิดแต่เรื่องที่จะทําให้เกิดความสุขเรื่องรักเรื่องช่างเรื่องอะไรต่างเราก็คิดออกไปนั่นเขาเรียกว่าเพลินในสุขเวทนาพราติดขัดในทุกเวทนาเราก็คิดในทางที่จะป้องกันที่จะกลัวภยัยที่จะแก้ไขปกป้องตัวเองเพราะ สุขเวทนามันเบียดเบียนเราเราก็คิดไปในของปฏิฆะหรืออัดขัดเครื่องคิดไปในทางนั้นอีกเพลินในทุกเวทนาคิดไปในทางที่เป็นโทสะพอมาสู่เวทนาที่สบายหน่อยเป็นกลางแล้วก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะเพลินไปด้วยความไม่รู้แล้วก็โมหะพราะเราเพลินในเวทนาทั้งสามไม่รู้เวทนาทั้งสามนัม่นเองมันจึงกลายเป็น ตัวอวิชชาเพราะเราไม่รู้เท่าทันเมื่อเรามาเจริญตัวรู้เจริญตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยเราเรียกว่ามาเจริญภาวนาทำให้ตัวรู้มันเจริญเรียกว่าภาวนาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้ไม่ถูกเราไปทำความสงบความหยุดความนิ่งให้มันเจริญเราไม่ทำความรู้ตื่นเบิกบานให้มันเจริญ มันก็เลยการภาวนาก็เลยไม่เป็นไปเพื่อการแก้ไขเวทนาทั้งสามให้เป็นตัววิปัสนาในนั้นเราโชคดีตรงมาพบวิธีการของพระเทียนเอามาเองนั้นก็ไม่ใช่ยอมรับอะไรได้ง่ายๆกูจะยอมรับในวิธีการนี้ก็ใช้เวลานานเป็นเป็นปีทีเดียวต้องเนื่องจากตัวเองเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษา ม, มาพอสมควร การจะยอมรับอะไรได้ต้องเรียนรู้หาข้อมูลศึกษาเอาจนกระทั่งชัดเจนเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วถึงจะลงมือเมื่อลงมือแล้วก็ไม่ปล่อยต้องทำให้ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะที่พิสูจน์ก็คือว่าทุกคนเน่ชาวพุทธทุกคนส่วนใหญ่ล้วนผ่านสมถากรรมาฐานมาทั้งนั้นและสมถะกรรมาฐานส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านระบบลมหายใจไม่ว่าจะเป็นพุโทโธ ยิ่งหนอของสมาระหังบริกรรมนับลมหายใจเราผ่านกันมาทั้งนั้นที่เป็นชาวพุทธจะโดยมีอาจารย์หรือไม่ก็ตามนะในสังคมของเราสังคมพุทธเราสอนกันมาหลายช่วงอายุคนหลายศตวรรษแล้วเนี่ยเราก็มีคุณสมบัตินี้ติดตัวมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่นั้นเองการที่เราใช้ระบบลมหายใจเข้ามาเป็นตัวรู้เนี่ยสำรวจรู้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อด้อยข้อดีมันตรงที่มันง่าย ตรงที่ว่ามันอยู่กับเราแล้วตลอดเวลาน่ะใช้มันเป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์เลยแต่ข้อด้อยของมันก็คือมันเป็นความอยู่กับมันจนชินแล้วเนี่ยจนไม่ไม่เห็นความสําคัญของมันอันนี้คือข้อด้อยและที่สําคัญก็คือว่ามันแผ่วเบา เ, บาเกินไปในการที่จะเหนียวนําจิตใจของเรากลับมาสู่ปัจจุบันได้ชัดเจน ดังนั้นในสมัยโบราณในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเนื่องจากว่าโลกและสังคมสิ่งแวดล้อมยังไม่หยาบกระด้างไม่รุนแรงไม่รวดเร็วไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่หยาบอย่างปัจจุบันมันก็อาจจะง่ายแค่ใช้ลมหายใจก็อาจสําเร็จประโยชน์แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไป การที่เราใช้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นในหมดว่าเรื่กายานุปัสนาท่านจึงแบ่งไว้เป็นหนึงหหลักหลักแรกคือใช้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวเนี่ยให้ให้ได้ไม่ต้องใช้บริกรรมอะไรทั้งนั้นนะ่ะฝึกหายใจลึกๆยาวๆเอาไว้บ่อยๆท่านนั้นแหละมันก็เป็นกรรมาฐานนะแต่ไม่พอเพราะในการเคลื่อนไหวในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะลมหายใจ เรามียืนเดินนั่งนอนมีคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีภาพตาอ้าปากหายใจเร็วสายไหลคว่ำกลมเงยหยิบหยับจับเฉยแล้วมีตลอดเวลาเราต้องเพิ่มในจุดนั้นเข้าไปอีกเพราะในอีบทสียืนเดินนั่งนอนแล้วเรามีอีบโบดย่อยแด้ในอีโบดย่อยนั้นเรามีท่าสีได้ในท่าสีนั้นเรามีอาการสามสิบสองได้ในอาการสิบสองนั้นเรามีการเปลี่ย น, ปยนแปลงแตกดับเรียกว่าของเสียถึงหกหมวดนะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการ ฝึกฝนทางด้านกายได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งที่เป็นรูปและเป็นนามเพราะนั้นกายานุปัสนาเนี่ยก็ยึงเป็นในส่วนที่เป็นรูปพอเอาเวทนาเขาเปรียวข้องเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามดังนั้นทั้งสองส่วนกายและความรู้สึกที่เกิดจากกายเรียกว่าเวทนาเราก็ใช้สองหมดเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนใช้ให้ใช้ให้ครบ แต่ที่เราใช้ลมหายใจอย่างเดียวมันไม่ครบมันถึงช้ า, างไงเหมือนเราเดินทางไกลเนี่ยถ้าหากว่าสเสบียงเราไม่ครบถ้วนเนี่ยการเสบียงเราไม่พอมันก็จะเดินทางไม่ตลอดรอดฝั่งสมมุติว่าเราเดินทางหนึ่งร้อยกิโลเราเตรียมสเสบียงไปแค่ยี่สิบกิโลเนี่ยอีกแปดสิบกิโลเนี่ยเดินต่อไม่ได้แล้วหมดสเสบียงนะมันก็จะต้องเตรียมสเสบียงให้ครบพร้อม นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยให้ครบถ้วนมันถึงจะเป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องไปได้ดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเน้นที่กายกับเวทนาเนี่ยให้ถูกต้องให้ชัดเจนไว้เสมอนะในบทสี่ของเราในบทย่อยของเราเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แ ต, ตมาเองนั้นถึงแม้ปฏิบัติมานานก็ไม่ประมาท พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่พรวดพลาดผุนผันลุกจากสถานที่ที่เดียวตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ดูก่อนว่าเรานอนอยู่ท่าไหนอากาศเป็นอย่างไรเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนยกขาข้างไหนขึ้นก่อนแล้วจะลุกด้วยวิธีใดที่จะปลอดภัยเริ่มเก็บตั้งแต่นู่นเลยแล้วอาการแรกที่สุดเมื่อเราลุกจากเตียงแล้วหรือลุกจากที่อยู่ที่นอนแล้วเราจะทําอะไรก่อนลําดับไปเรื่อยเรื่อยๆตั้งแต่ ยกตัวขึ้นมาไฟอยู่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาก็จะไม่รีบลุกขึ้นมาก็จะพับผ้าห่มที่นอนอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้ทิ้งทีเดียวลุกขึ้นมากำหนดรู้โยกแขนซ้ายย้ายแขนขวาแหล่หน้าเหลี้ยวหลังเล่นอยู่ตรงนั้นก่อนไม่ต้องรีบแต่บางทีกำหนดการที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยตี สี่ทีห้าทีสามทีสี่ต้องรีบมาเนี่ยทำให้เราละเลยต่อการกำเนดรู้ในส่วนนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้เราตื่นเช้าก็จริงแต่ว่าให้มีเวลาบริหารจัดการตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาช่วงเช้าเป็นเวลาที่แจ่มใสสะอาดสมองปอดปล่งการที่เราจะไปรู้ตามรู้สิ่งเหล่านี้โดยละเอียดจะมีผลมากต่อชีวิตประจวัน นานั้นตื่นมาตั้งตีสามครึ่งไปอย่างต่ําเนี่ยชั่วโมงครึ่งอ่าเราบริหารจัดการว่าเราลุกขึ้นมาแล้วผ้าผ้าห่มที่นอนแล้วเนี่ยก้าวขาไหนลงเตียงก่อนลุกขึ้นมาไปเปิดไฟที่ไหนเปิดประตูอย่างไรเดินไปหาห้องน้ําอย่างไรเดินห้องน้ําแล้วทําอะไรก่อนลําดับไปเรื่อยๆขณะที่ลาดับแล้วก็พิจารณาไปด้วยวเอ๊ะทำไมจะต้องอ่า ถ่ายทำไมต้องหนักทำไมต้องเบาทำไมต้องล้างหน้าไม่ล้างไม่ได้หรืออ่ะอันนั้นจะตกอันนี้จะหกอันนั้นจะเรียน้ําจะหล่นน้าจะเปียกอะไรเนี่ยทำไมต้องระวังอะไรเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆสนุกสนานมากถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วได้ธรรมะจากช่งชวงเช้าถึงเช้าตูจ่จนถึงสายเนี่ยได้เยอะคือการตามรู้อ๋อการที่เรากลัววนะ่าน้ํามันจะเปียกเพราะเปียกแล้วไม่สบายกายเขาไม่สบายกายนี่เป็นอะไร อ่าเป็นความทุกข์เออก็ะเยบรองเท้าเข้าห้องน้ำทำให้ห้องน้ามันเปื้อนเราจะต้องอเสียน้าเพราะอะไรถือถ่ายแล้วถ่ายไม่สะดวกแล้วเราเกิดอาการกังวลอย่างไรสร่งแล้วเนียถ้าตามรู้ตามดูเราจะเห็นกายเห็นเวทนาสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงอย่างใกล้ชิดแต่ตลอดเวลาเนี่ยเราอยู่ในอาการที่ ไม่แยบคายขนาดนั้นมันทำให้เราข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปหมดเรารีบร้อนรีบร่งข้ามธรรมะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามุ่งที่จะได้ไประสบผลสำเร็จรู้ธรรมะรู้ธรรมะแต่เราไม่รู้เหตุของธรรมเนี่ยเราจะไปได้ผลมันได้อย่างไรปฏิบัตร 100, 000, 000, 000, ิร้อยวันพันปีมันก็ไม่ไปไหนเพราะเราลืมละเลยเลินเล่อตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงนอนเลย แล้วรีบมาปฏิบัติพอรีบมาปฏิบัติเขามาเพลินในนั่งหลับตานั่งเพลินกับสุขเพนานั่งเพลินกับความอบอุ่นนั่งเพลินกับความง่วงเหงานั่งเพลินกับทุกข์กับสุขอย่างเงี้ยมันมันพลาดตาหลอดการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะฉะนั้นตอนหลังมาเอามาจึงไม่ได้เน้นว่าคุณจะทํามากทําน้อยไม่สําคัญแต่คุณเข้าใจ ในสิ่งที่คุณกําลังทำอะไรไหมตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยคุณเข้าใจมันไหมคุณเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้ไหมถ้าเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยคุณจะไปพูดถึงเลยว่าทางรัดทางตรงทางเร็วทางอันไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดสิ่งเ ล, เล็กน้อยเหล่านี้ใกล้ตัวคุณที่สุดคุณยังเก็บมันไม่ได้น่าจะไปเอาสิ่งใหญ่หญได้ยังไงปวกตัวเล็ ก, เ, ลกเนี่ยมันสร้างจองปวกบบเบลอบลานี่ ม, มันทํำไมมันทําได้เพราะมันทํางานตลอดเวลาแล้วมาเก็บทีละนิดนะเหมือนกันการเจริญกายเวทนาต้องเก็บรายละเอียดเหล่านี้ให้มากไม่ต้องรีบร้อนในการลุกแล้วก็การปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวในอียบบทบางทีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแค่ขยับนิดขยับหน่อยเราก็เห็นละนั่งให้สบายเดินให้สบายไม่ต้องมีอะไรมาขับมาเคลื่อนมา อาดมาดุลมาดันเราให้ต้องรีบต้องร้อนนะในช่วงที่เราปฏิบัติเจ็ดวันเนี่ยให้มาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เราก็พลาดเพราะบางทีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือกระยะนานมิตรหรือครูอาจารย์ที่นำเสนอเนี่ยไม่ลงในรายละเอียดนะไม่ลงรายละเอียดก็ทำให้เราพลาดในจุด น, นี้ หรือบางทีลงรายในายละเอียดแต่ว่าไม่เน้นไม่ย้ำน่ะให้ครบถ้วนของการปฏิบัติดังนั้นในช่วงเช้าเนะี่อยากจะเน้นเรื่องกายกับเวทนานี้ให้ชัดก่อนในเรื่องจิตเรื่องอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอะถ้าเรื่องกายเวทนาไม่ละเอียดแล้วเนี่ยการไปเฝ้าดูจิตดูอารมณ์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ใน หลักที่เราเหลือวิสัยที่เราจะทําด้วยอยการที่เราปวดแล้วจะขยับขาให้มันคลายเนี่ยก่อนที่จะขยับเนดูมันนิดหนึ่งว่าทําไมต้องขยับอ่าหรือนั่งไปแลาวมันเพลอแล้วต้องหลับตาทําไมต้องหลับตาเรื่องหลับหรือไม่หลับไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่ท่าทีที่จะหลับท่าทีที่จะลืมตาเนี่ยคืออะไรอยู่เบื้องหลัง ต้องดูตรงนั้นให้ชัดๆเลยทำไมเราต้องลืมตามทำไมต้องหลับตาทำไมต้องหายใจลึกทำไมต้องหายใจตื้นหายใจลึกไปอย่างไรหายใจตื้นไปอย่างไรทุกอย่างไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้ า, ถาทีที่เราไปเกี่ยวข้องอาการนั้นๆอย่างขาดสติหรือมีสติเท่านั้นเองถ้าไปเกี่ยวข้องโดยการขาดตามการตามรู้การกำหนดรู้ถ้ามันจะผิดก็คือทาให้เราสั่งสมความเคยชินให้มากขึ้นเท่านั้นเอง ถ้ามันจะถูกก็คือเราได้ตัดกระแสขอความเคยชินให้น้อยลงเท่านั้นเองถ้าผิดผิดนั้นทําให้เราเป็นทุกข์ถูกนั้นทําให้เราหายทุกข์นั้นเองอย่ามองข้ามน่ะอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วจะการปฏิบัติมันจะสนุกสนานไม่แทบจะไม่มีเวลาคิดถึงอดีตอนาคตเลยนะถ้าเราทําอย่างนี้น ะ, ะแทบไม่มีเรื่องที่จะต้องมาให้คิดเลย พ้อสนุกในการเฝ้าดูแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่จริงใจไม่ตั้งใจอ่าแล้วก็ไม่ถึงใจตัวเองอ่ามันจะต้องมีมีหลักของความเข้าใจเนี่ยเอามาทึ่บอกว่าไม่เน้นในการปฏิบัติไม่เน้นการทํามากเน้นความเข้าใจให้มากที่ท่านใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิ ท่านจึงเน้นเอาตัวสมาธิฏิสมัสมมสกราระไว้เป็นองค์ต้นของมรรคแปดเลยทีเดียว mm hmm. เพื่อให้เข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องในสิ่งที่เรากําลังเกี่ยวข้องอยู่นะเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์แปดท่านจึงเอาตัวสมาธิฏฐิเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยอย่างที่ท่านกล่าวว่าสมาธิฏฐิสมธาธนาสัพพทุขาอุปจเจคุงว่าผู้ใด มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ในการปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้แต่ในมักมีองค์อื่นท่านไม่พูดถึงเลยนะสมาสังกปะสมาธนาท่านก็ไม่ได้พูดสมาสติสมาธิสมาธนาสภพวทุกข์ท่านก็ไม่ได้กล่าวแต่ท่านกล่าวมักอันเดียวว่าสมาธิิสมาธานาสภาวทุกข์ปัจจคุงว่าผูดด้ใดสมาสมาทานหรือทําด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ทำไมท่านเน้นย้ำเหลือเกินอืมอ น, นั้นเขาว่าส ม, มาธิิฐเนี่ยสําคัญเป็นประตูเป็นด่านแรกเลยที่เราจะต้องผ่านเข้าไปถ้าเราผ่านด่านแรกนี้ไม่ได้อีกดา่กดานหนึ่งอีกเจ็ดด่านต่อไปเจ็ดมรรคต่อไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันแต่นั้นเราจะเข้าใจอย่างไรถูกต้องต้องทําต้องเหตุปัจจัยที่จะให้เข้าใจเกิดความถูกต้องเนี่ยมีอยู่สองปัจจัยเท่านั้นเอง เหตุของสมาธิมีสองอย่างไม่มากอันแรกท่านใช้คําว่าปัตโตโคสส์อันที่สองท่านใช้คําว่าโยนิโสมานสิการคําว่าปัตโตโคสส์เนี่ยท่านเน้นตรงที่กรารานมิตรในการานะประมาปรมากยารานะทวิตสูตรเนี่ยท่านบอกว่ า, าผู้ใดได ตัวเองเป็นกิริยรามิตรของตัวเองเป็นกิริยาณสหายตัวเองแล้วก็สร้างสิีลแกล้มให้กับตัวเองได้อย่างถูกต้องผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้ผู้ใดมีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ผู้ใดมีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บผู้ใดมีความโศกเศร้าพิริยธรรมพันธุ์เป็นก็จะพ้นจากความโศกเศร้าเพราะฉะนั้นในทั้งสมอย่างเนี่ยคำว่าปรารโตโคสซาท่านหมายถึงกิริยรามิตรได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ชี้นา กิจการนิสยได้แก่เพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันต้องไปในทางเดียวกันและกิจการนสัมปวังกระตาได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารสัพยะอาว่าสัพยะธรรมสัพยะบุคคลสัพยะความสะดวกที่จะเอือเอ้ออํานวยต่อการปฏิบัตินะอาหารสัพยะก็ได้แก่สิ่งที่เราอาหารบินทบาตเนี่ยไม่แสดงโลกหาได้ง่ายอ่า อาวาสัปยะที่สงบสงัดเหมาะแก่การภาวนาโดยเฉพาะที่ตรงเนี้เหมาะเหลือเกินนะไม่ควรที่จะเป็นสถานที่หมกหลับหมกหลบหมกนอนหมกกินหมกเล่นควรจะเป็นสถานที่ภาวนาอย่างต่อเนื่องอแต่ว่าเามามาดูที่นี่แล้วเน่ก็ยังอ่อนอยู่มากภาวนาแค่บ่ายโมงไปถึงบ่ายสามโมงสี่โมงก็ชักจะหาทางลนเลิกกันแล้วเอามาไปจัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ เจ็ดมงเช้าถึงเจ็ดมงเย็นน่ะทำกันขนาดนั้นเลยนะพักแค่ชั่วโมงเดียวทั้งวันบ่ายโมงเดี๋บ้านเราทํากันครั้งละสองสามชั่วโมงโลนหาที่พักแล้วอ้ามันจะไปไปได้อย่างไรที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้นอนอยู่กับวัดนะไปนอนบ้านนะกลับไปนอนบ้านออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามตีสีเพื่อจะให้มาทันเจ็ดมงคนอยู่ไกลรถติด เพราะที่พุทธสมาคมจาการ์ตาเนี่ยเขามาให้นอนที่นั่นเอาไปนอนที่บ้านต้องมาแต่เช้าอ่าจัดอยู่เจ็ดวันแทนที่คนจะลดคนเพิ่มขึ้นจัดวันแรกมีแค่สิบห้าวันต่อมาเพิ่มไป็นยี่สิบกว่าจะเสร็จคนเป็นห้าสิบหกสิบเพิ่มขึ้นทุกวันเออน้าน่าสนใจมากตัวนั้นได้อารมณ์ทุกคนนะเจ็ดโมงเชา้าถึงหนึ่งทุ่มเราเลิก ดังนั้นเองชาวพุทธไทยของเราเนี่ยเราอยู่กันมานานปฏิบัติกันมานานเราเลยอ่อนนะเราอ่อนตรงนั้นดังนั้นจึงอยากจะให้เน้นความต่อเนื่องเพราะการทำอะไรที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเราไม่ได้อาศัยศรัทธาต้องใช้ปัญญาพเพราะว่าเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นชาวพุทธอย่างไรก็ฟังกันอยู่แล้วนะดังนั้นในช้าวันนี้ อัธมาภาพได้นำเสนอหลักข้งกายเวทนาลงไปไม่ละเอียดนักแต่ว่าพอได้หลัก น, นี้วันนี้จึงอยากจะให้ไปนเน้นการเฝ้าดูในเวทนาทั้งสามส่วนสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทน า, ทนามันเป็นตัวแสดงของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง นั้นการจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะไปจะมาจะแลจะเหลียวเนี่ยลองตั้งใจสักนิดหนึ่งอย่าให้ความเคยชินมันครอบงํา ม, มากเกินไปฝึกหายใจให้ลึกนะนั้นก็ในช่งชวงเช้ามีเสียงรบ ก, กวนมาจากข้างนอกไม่สะดวกละก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะบําเพญ็ญ สติภาวนาแบบเคลื่อนไหวเนี่ยให้ต่อเนื่องอามาก็จะอยู่ถึงวันสุดท้ายนั่นแหละไม่รีบไปไหนเพราะถ้ามาช่วยปฏิบัติไม่ไม่รีบไม่รีบนี้จนกว่าจะผู้ที่จะได้อารมณ์เพราะว่าเราต้องช่วยกันจริงๆเพราะเรื่องนี้เราลงทุนสูงกว่าจะมาที่นี่ลาการล า, า, รรางานมาลาลู ก, ากลกาครอบครัวมาเสียการเสียงานมาก็มีเรามาที่นี่การบริหารจัดการก็ไม่ใช่ อาจารย์ลงสินเตรียมสถานนี้ที่นี้ไว้พร้อมอย่างนี้ก็ต้องลงทุนไปหลายหมื่นหลายแสนตลอดถึงข้าวปลาอาหารญาติโ ย, ยมท่านต้องขอนขวายที่อยู่อาศัยท่านต้องขอนขวายลงทุนไปเยอะพราะนักการปฏิบัติต้องให้มันคุ้มทุนในสิ่งที่เราลงไปทุกอย่างเป็นเม็ดเงินเม็ดทองทั้งนั้นเราจะทําเล่นไม่ได้ถ้าทําเล่นแล้วเป็นบาปในงานวิปัสนาแต่ละแห่งสั่งสมบาปให้กับตัวเองดังนั้นก็ต้องระมัดระวังก็ข อ, ขอนบูรณาสาธุ ให้ความตั้งใจงนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยให้เข้าถึงตัวเองโดยแท้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ